กาแรแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีเจริญพรประยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านในค่บคืนนี้ก่อนเกินก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาถือศีลผู้ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ที่เราได้มาร่วมกันสวดมนต์ธวันเย็นร่วมกันเวียนเทียนรวมไปถึงร่วมกันฟังธรรมขอพอให้ทุกคนทุกท่านที่อยู่ในบริวเวณเขตเสมาโบสถ์ในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนตงตั้งใจ ตั้งใจหวางทุกสิ่งทุกอยาก่างทำใจของตนเองให้เพียงพอถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ <S <S ์ใจเหมือนที่เราได้เอ่ยไ <Thailand> ปเหมือนวาจาที่เราได้เป่งออกมาตั้งแต่เราเริ่มสวดมนต์ามวัดเย็นถ้าเกิดเราได้เริ่มก่าวคำถวาย ดอกไม้ทุกเพียนเคลื่อนสัาวะให้แด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราต้องมาเริ่มที่ตัวเราเมาจัดการตัวเองก่อนเราจะทําอย่างไรให้กายเราบริสุทธิ์เราจะทำอย่างไรให้ใจเราบริสุทธิ์ผู้ประพฤปฏิบัติธรรมทั้งหลายบางครัง้งบางสิ่งบางอย่าง ความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งแทบจะหาไม่ได้เลยวันหนึ่งวันหนึ่งความบริสุทธิ์ของใจเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องทำใจเราให้บริสุทธิ์ก่อนต้องทำกายเราให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะนั่งสมาธิก่อนที่เราจะหลับตาลงให้กายเราพร้อมให้ใจเราพร้อม เมื่อกายเราพร้อมใจเราพร้อมเนี่ยเราก็ค่อยๆใช้แต่หูอย่างเดียวฟังพระธรรมคำสัมสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้ตนเองเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ขัดต่อพระธรรมคำสัมสอน เพราะฉะนั้นเขาขอให้ทุกคนเนี่ยจงตั้งใจตั้งใจทำกายให้พร้อมก่อนตั้งใจเตรียมใจให้พร้อมก่อนเราหาความบริสุทธิ์ของใจลองมองไปมองไปที่ใจเรามองไปที่กายเราวันนี้กายเราเหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้ววันนี้ใจเราก็เหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้ว วันนี้แขนขาเราทั้งสองข้างก็เหนื่อยล้ามาทั้งวันแลว้วเราจะทํายังไงดีเพื่อที่จะผ่อนคลายให้กับตัวเราเองผ่อนคลายให้กับกายเหล่านี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งเราเหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยแม้กระทั่งเราปวดเราเมื่อยเราก็ไม่ปวดไม่เมื่อยแม้กระทั่งวันนี้ผ่านมาทั้งวันเรามีแต่ความทุกข์ ก็ขอให้สิ่งที่เป็นความทุกข์นั้จงหมดไปจากใจของเราเราจะไม่ทุกข์เราลองคิดเราลองพิจารณาหาความบริสุทธิ์ของใจเราให้ได้ก่อนว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยความบริสุทธิ์อของใจเราลังเหลืออยู่หรือเปล่าความบริสุทธิ์ของใจเราลังเหลืออยู่ไหมเราต้องพิจารณาไปบางครั้งพระธรรมคำสังสอนเนี่ย ขององาาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเช่นเป็นแค่แนวทางเพื่อให้ผู้ประพปฏิบัติเนี่ยให้ประพปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองให้รู้ด้วยตนเองให้เห็นด้วยตนเองและทีนี้ผู้ประพปฏิบัติเนี่ยเมื่อประพปฏิบัติไปแล้วเรารู้หรือยังเราเข้าใจในพระธรรมคาสั่งสอนหรือยังเรานาพระธรรมคสั่งสอนไปปฏิบัติ ผ่ต้มหรื อ, อยังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งเมื่อเราได้เอื้อนเอ่ยวาจ่าออกมาแล้วต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันปริณิพานมานานแล้วก็ตามแต่ยังเหลือเค่เพระธรรมคำสั่งสอนเหลือต่พระพิสุทธทิ์ทงที่ทําหน้าที่ เพที่จะให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนและพระธรรมคําสั่งสอนเนี่ยเราก็ได้เอ่ยไปแล้วว่าเป็นพระธรรมที่เมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ให้เราเหล่าผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยตกไปสู่ในที่ชั่วตกไปสู่ในอบายามุขตกไปสู่ในอบายภูมิ นี่คือพระธรรมคำสัจสอนแต่พระธรรมคำสัจสอนเนี่ยมาทีหลังในการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเราต้องถือศีลเราต้องรักษาศีลก่อนเมื่อเราถือศีลแล้วเราไม่รักษาศีลก็จะเปลียบเปรียปร่ยสนสมือนเราทรยยศกับตัวเองใช้คำว่าทรยศนะเราทรายยศกับตัวเองเมื่อเราคิดว่าเรารับศีลมาแล้วเราถือศีลมาแล้ว แต่เราไม่ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสัสอนแล้วเราลองคิดไปเราเป็นผู้ทรยศต่อพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราเป็นผู้ทรยศต่อพระพุทธศาสนาหรือเปล่าเราพระพิสุทิพิสุณีแล้วก็อุบาสก อ, อุบาสิกาพุทธบริษัทท่านเชเนี่ยเป็นผู้ที่ สื่อทอดอายุพระพุทธศาสนาทำไมต้องมีพุทธบริษัท ส, สี่มีเพื่ออะไรมีมีเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเอาไว้ไม่ใช่ว่ามีเพื่อไว้ทำลายพระพุทธศาสนาไม่ใช่โลกสังคมปัจจุบันก็น่ากลัวโหลเกินเราอย่าเสพสิ่งที่เราไม่รู้จริง เราอย่าใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองใช้อารมณ์ของตัวเองไปตัดสินใจในสิ่งที่เรายังไม่รู้สิ่งที่เรายังไม่เข้าใจสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังมาบางครั้งมันไม่ได้เป็นความจริงแต่ความจริงที่เราได้คิดได้นึกเนี่ยนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นในใจเราเราคิดถูกหรือเปล่าหรือว่า เราคิดเข้าข้างตัวเองหรือว่าใจเรารู้สึกเองนั่นคือความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจเราขณะปัจจุบันนั่นคือความจริงแต่สิ่งที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยเราจะไปรู้ได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆในเมื่อเราไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเลยเราจะรู้ความจริงได้ยังไงเราจะรู้ความจริงได้ก็ต่อเมื่อในขณะนี้ตอนนี้ เวลานี้เท่านั้นเรากำลังทำอะไรอยู่นี่คือความเป็นจริงความเป็นจริงเนี่ยอยู่ภายตรงหน้าเราเนี่ยคือความเป็นจริงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราในขณะนี้คือความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราไม่มีอะไรเป็นความจริงแล้วเราอย่าประยุติิดเราอย่าไปคิดอย่าไปเก็บเอาอมาเพื่อให้มาทำร้ายตัวเอง เพื่อมาทำลายจิตใจเอาเองเพื่อมาทำลายศีลเพื่อมาทำลายสมาธิเพื่อมาทำล า, า, า, า, า, ายสติปัญญาของผู้ปพฤฏิบัติเมื่อเราปรพฤฏิบัติไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรทำลายตัวเองถ้าสิมาถือศีลที่วัดไม่เห็นจะได้อะไรเลยมาถือศีลที่วัดไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยมันเป็นเพราะเหตุอะไรต้องดูที่ตัวเองพอทำคำสั่งสอนเนี่ยยังไงก็คือพอทำ สิลงยังไงก็คือสิ่งการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเป็นตัวตัดสินเป็นตัวชีว้วัดว่าตัวเราเนี่ยจะประพฤติปฏิบัติได้แค่ไหนให้จำเอาไว้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราพนันคือความเป็นจริงในขณะนี้เรากำลังหลับตานั่งสมาธิอยู่เสียงที่เราได้ยินอยู่ในขณะนี้เนี่ยคือความจริงคือเสียงที่แท้จริง ไม่ได้เป็นเสียงที่มาจากซีดีหรือว่ามาจากคลิปวิดีโอหรือตัดต่อมาไม่ใช่เป็นเสียงจริงนี่คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะสิ่งที่มันผ่านมาแล้วที่อยู่ข้างลังเราไม่ใช่ความจริงเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเลยสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยแม้สักนิดเดียวแม้สักน้อยนึ่งก็ไม่มีแต่เราก็คิดเอง เราปรุงแต่งไปเองเราไม่แยกใจของเราให้ดีวันหนึ่งเนี่ยจิตใจของเราใจของเรามีความคิดเยอะแยะมากมายใจก็ททำหน้าที่ของใจไปความคิดก็ททำหน้าที่ของความคิดไปความรู้สึกก็ททำหน้าที่ของความรู้สึกไปอารมณ์ก็ททำหน้าที่ของอารมณ์ไปแต่เราจะแยกแยกออกหรือไม่เราจะรู้ทันหรือเปล่าตัวเราเองเรายังรู้ไม่ทันเลย แต่เราชอบไปรู้ทันผู้อื่นผู้ฝึกปฏิบัติเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้คิดว่าตัวเองรู้แล้วคิดว่าตัวเองเห็นแล้วคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เราคิดเนี่ยบางครั้งไม่ได้เป็นความจริงบางครั้งไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็ลองถาเตัเองเอ๊ะแล้วแต่ทาไมเราถึงชอบคิดอา เราชอบคิดเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์เราเหลือที่ต้องการหรือว่าความรู้สึกเราที่ต้องการเราลองมองไปให้ดีๆเราแยกใจเราได้หรือเปล่าลองแยกให้ดีๆใจมันก็ทำหน้าที่เยอะแยะมากมายแต่เราแยกได้ไหมเราตามทันไหมเราตามไม่ทันเราแยกไม่ทันเราลองแยกดูใจที่เป็นกุศลกับใจที่เป็นอกุศลเนี่ยในแต่ละวันเนี่ย ใจไหนที่มันเกิดขึ้นมากกว่าเราลองพิจารณาดูสิว่าใจที่เป็นอกุศลมันเกิดกับเราทั้งวันเลยหรือว่าใจที่มันเป็นอกุศลมันเกิดกับเราทั้งวันเลยปางารั้งเปรียเสมือนเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ยังไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าทำไมเข้าใจยากเหลือเกิดทำไมปฏิบัติยากเเกิด ไม่เหมือนคำนินทากันคำด่ากันว่ากันทำไมเข้าใจง่ายทำไมมันชัดเจนทำไมพระธรรมคำสัสอนขององค์สัมมาสัพพุทธเจ้าถึงไม่ชัดเจนไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่มีความชัดเจนความชัดเจนเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เราจะมองเห็นหรือเปล่าเราจะมองเห็นหรือไม่แล้วความชัดเจนนั้นเราจะยุยงแน่ชัดหรือเปล่า ดูอย่างแจ่มแจ้งและชัดเจนหรือไม่มันอยู่ที่กายเราเท่านั้นอยู่ที่ใจเราเท่านั้นสังขารเราเนี่ยเป็นยังไงใจเราเนี่ยเป็นยังไงนี่เราต้องมองทุกวันเราต้องพิจารณาทุกวันถ้าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเราจะไปพิ จ, จารณาสังขารผู้อื่นมันก็ผิดแล้วเราจะไป คิดแทนผู้อื่นมันก็ผิดแล้วผิดในการประพฤติปฏิบัติผิดต่อพระธรรมคำสั่งสอนองค์สบัตของพรมมพุทธเจ้าแค่นี้ก็ผิดอเราลองพิจารณาใหม่ลองตั้งใจตัวเองใหม่ตั้งความปรารถนาให้กับตนเองใหม่ําความบริสุทธิ์ของใจให้มันเกิดใหม่มันยากนะ ความบริสุทธิ์ของใจที่มันเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์จริงๆมันยากโดยที่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาปรุงแต่งใจไม่มีความอิจฉาเข้ามาปรุงแต่งไม่มีความลิทยาเข้ามาปรุงแต่งไม่มีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาปรุงแต่งเนี่ยใจเราเนี่ยมันทำยากถึงบอกว่าความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยเรามีไหมมีมากน้อยแค่ไหนในแต่ละ ว, วัน บางครั้งเราเป็นผู้ตือนสินไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์สัสสมมเนตรแม่ทีหรืออุบาสกอุบาสิกาก็แล้วแต่แต่เรายังมองแค่ภายนอกเพราะสิ่งที่อยู่ภายในใจไม่มีใครสามารถอยากรู้ได้ไม่มีใครสามารถรู้ลึกลงไปถึงจิตใจของแต่ละคนได้อย่างแน่นอนมีเฉพาะตัวเราเองเท่านั้นที่สามารถรู้สามารถเข้าใจ ถึงเราจะเก็บไว้ยังไงเราจะปกปิดไว้ยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นประจากษ์กายเราได้หลุดพ้นประจากใจเราได้ <c oughs> เพราะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ชั่วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อสิ่งที่ชั่วเราเก็บไว้เก็บไว้มันก็หมักบ่มลงไปในใจหมักบ่มลงไปในใจ มันก็ไปทําลายใจเราทุกวันทําลายใจเราทุกวันทาให้จิตใจเป็นอย่างไงทำให้จิตใจเล่าล้อดกระวนกระวายระสัแระายมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีจิตใจที่ชั่ ว, วเรามีจิตใจที่ดีใจเราก็รู้สึกเก็นเราก็รู้สึกมีความสุขไม่เล่าล้อดไม่กระวนกระวายไม่ปิจฉากทิสยาใครอยู่ในสินอยู่ใน การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคสั่งสอนมันทำยากเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันทำยากทำให้ใจบริสุทธิ์เนี่ยทำได้ยากมากบางครั้งเราประพฤติปฏิบัติเราก็สับสนกับความคิดตัวเองก็มีสับสนกับความรู้สึกตัวเองก็มีทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้จักแบ่งใจของตัวเองเราแบ่งใจตัวเองไม่ถูกเพราะใจ ดวงนี้เราจะทำอะไรใจดวงนี้เราจะทำอะไรถ้าพูดถึงเรื่องจิตเนี่ยมันเยอะจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันเยอะแต่ในอภิธรรมจริงๆเนี่ยจิตที่เป็นอกุศลมากกว่ามากกว่าจิตที่เป็นกุศลแต่เราอยากไปรู้รายละเอียดตรงนั้นเยอะแยะมากมายเลย เอาให้รู้ทันในขณนะนี้ก็พอให้รู้ทันในขณะจิตเราตอนนี้เนี่ยลองนั่งพิจิตรพิจารนาว่าเออตอนนี้ใจที่เป็นกุศลของเรามันมีหรือเปล่าวันนี้จิตใจที่เป็นกุศลของดราเนี่ยเราไปทำอะไรมาบ้างวันนี้ที่จิตใจที่มันเป็นอปุสลของเราเนี่ยเราไปทำอะไรมาบ้าง บางครั้งเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วเราไม่ได้คิดบางครั้งเราคิดแต่เราคิดไม่ถึงเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อเราคิดไม่ถึงเนี่ยในสิ่งที่เรากําลังคิดกําลังทําอยู่เนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องเจดเธอกับตัวเอง เ, เราคิดว่ายังไงสักวันหนึ่งเราก็ต้องถูกคนนึงคิดเช่นนั้นเราทําว่ายังไงสักวันหนึ่ง คนอื่นก็ต้องมาทำกับเราเช่นนั้นเราพูดไว้เช่นไรสักวันหนึ่งคนอื่นก็ต้องมาพูดกับเราเช่นนั้นเรานินทาเราด่าเราว่าคนอื่นไว้เช่นไรสักวันหนึ่งคนอื่นก็ต้องมานินทาเราด่าเราว่าเราเช่นนั้นชันใดก็ชันนั้นที่จริงคำสั่งสอนหลสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำที่ประพฤติปฏิบัติได้ง่ายมากแต่ประพฤติปฏิบัติยากมากเพราะเราไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยมันก็ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็ยังสอบแสวงหาที่ตรงนั่นดีตรงนู้นดีตรงนั่นดีตรงนั่นดีกว่าตรงนู้นดีกว่าแต่จิตใจตัวเองไม่ได้ดีเลยแสวงหาไปดิ้นรนไปร่างกายตัวเองไม่ได้ดีเลยจิตใจก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแสวงหาไป ตรงโน้นทีตรงนั้นทีแสวงไปแสวงมาเลยไม่ได้อะไรเลยบางครั้งเพราะเราไม่รู้จักจุดยืนของตัเองเราไม่รู้จักที่ที่เราเคยยืนที่เดิมที่เราเคยยืนอยู่ตรงไหนที่เดิมที่เราเคยนั่งเคยกินเคยนอนอยู่ตรงไหนเราลืมเมื่อเราลืมจุดยืนของตัวเองเนี่ยเราก็หาจุดยืนไม่ถูกแล้วเพราะเราไม่ยืนอยู่กับที่เราไปเรือย เดินไปเรื่อยตามหาไปเรื่อยจนหลงหลงจนกลับมายืนที่จุดเดิมไม่ถูกก็มีสําหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพราะฉนั้นต้องทําความเข้าใจให้ดีๆสิ่งที่ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในขนาดนี้เนี่ยอย่าน้อยเมื่อเราทํากายเราให้บริสุทธิ์แล้วไม่มีสิ่งใดที่มากระทบกระทั่งกายเราในขนาดนี้เนี่ยกายเราก็บริสุทธิ์แล้วเราไม่ได้เอากาย ไปทำร้ายใครใครก็ไม่ได้เอากายมาทำร้ายเราเนี่ยก็ถือว่าบริสุทธิ์แล้วกายบริสุทธิ์แล้วแต่ใจบริสุทธิ์ได้ยากถึงต้องทำความเข้าใจถึงต้องบอกต้องพูดต้องสอนให้เข้าใจว่าเนี่ยใจที่จะบริสุทธิ์ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อผู้พฤติปฏิบัติเข้าใจ ต่อไปเราก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมาตั้งนานเนี่ยเราไม่รู้เองเราไม่เข้าใจเองถึงทำให้การประพฤติปฏิบัติเราเนี่ยไปไม่ถึงไหนประพฤติปฏิบัติแล้วก็ติดติดกัดขัดอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษพระว่าพระสอนไม่ดีวัดนั้นไม่ดีสอนไม่รู้เรื่องพระธรรมขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าว็าปฏิบัติยากเหลือเกิน เราต้องดูที่ใจเราว่าความบริสุทธิ์ของใจเราเนี่ยมีหรือเปล่าบางครั้งใจเรามีอาคาติต่อพระธรรมทัศสั่งสอนบางครั้งเรามีอาคาติต่อสถานที่บางครั้งเรามีอาคาติต่อบุคคลจนลืมทําให้จิตใจเนี่ยมันบริสุทธิ์เมื่อจิตใจมันบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดความเล่าร้อ น, อนเกิดปัญหากระทบเอง ทำให้จิตใจของตัวเองกระสับกระส่ายเล่าล้นไปอะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้แต่เรามองไม่เห็นเราไม่เข้าใจหรือบางครั้งเราอาจจะเห็นแต่เราหยุดไม่ได้แต่เราห้ามไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องห้ามได้แม้กระทั่งบางสิ่งบางอย่างมันห้ามไม่ได้เราก็ต้องปล่อย แต่เราห้ามได้เราก็ต้องห้าห้ามใจเราไม่ให้ออกไปนอกกายเหมือนเราห้ามกายเราเนี่ยไหมให้ออกไปจากจุดที่เราเคยยืนเราห้ามได้ไหมเราทำได้แค่สองอย่างนี้ก็าปฏิบัติไปได้ไวแล้วไม่ต้องไปหาอะไรเยอะแยะมากมายพอทำคำสอนนู่นนี่นั่นไม่ต้องเราต้องสอนตัวเองให้ได้ก่อนรู้ตัวเองให้ได้ก่อนทำ กายให้บริสุทธิ์ให้ได้ก่อนทําใจให้บริสุทธิ์ให้ได้ก่อนเมื่อกายและใจบริสุทธิ์ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยความบริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือการประพฤติปฏิบัติที่ผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยพึงนําไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเราจะได้อะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองเราจะได้รู้ตัวเองมากขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้นปฏิบัติกับตัวเองมากขึ้นแล้วเรารู้เลยว่าเราประพฤติปฏิบัติมาตั้งนานแล้วพิ่งจะเข้าใจประพฤติปฏิบัติมาตั้งนานแล้วเพิ่ง จ, จพ ง, นนพงจะรู้ที่ผ่านมาเราไม่รู้ไม่เป็นไรที่ผ่านมาเรายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เนี่ยเข้าใจคนเรามีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเล้หาความสุขยาก วันหนึ่งวันหนึ่งมุนจะหาความสุขที่ไหนแล้วแทบจะหาไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์หลอกกันไปหลอกกันมาหลอกกันไปหลอกกันมาไม่พอหลอกตัวเองอีกหลอกได้ทุกวันหลอกตัวเองก็หลอกได้ทุกวั น, ว ท, วนทำไมเราต้องหลอกตัวเองทำไมเราต้องทำร้ายตัวเองทำไมเราต้องทำลายตัวเองสิ่งเหล่านี้เนี่ย ผ, ผ, ผู้ปฏิบัติต้องคิดต้องทาความเข้าใจใหม่ถึงจะได้รู้ทานตัวเองว่าตัวเองเป็นอย่าง ถ้าเรามีความบริสุทธิ์กายมีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่มีปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราอยู่รวมกันแล้วถ้าเราไม่มีความบริสุทธิ์กายไม่มีความบริสุทธิ์ใจอยู่ตรงไหนก็มีแต่ปัญหาอยู่ตรงไหนก็มีแต่เรื่องพราขาดความบริสุทธิ์ไปแม้กระทั่งจิตใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเราไม่มีความบริสุทธิ์เลย เรามีแต่สิ่งปุงแต่งมีแต่เหตุสมมุติมีแต่ความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาลิทยาความอยากได้สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําลายการประพฤติปฏิบัติเราแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติได้อย่างไรเราจะประพฤติปฏิบัติได้เช่นไรก็ขอฝากไว้ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติทำทั้งหลายได้เก็บไปคิดพิจารณาแล้วก็นําไปปฏิบัติกับตนเอง เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นและวก็จะได้ทำให้ตนเองเนี่ยกายก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากกายและใจเราจะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ทั้งหมดไม่ได้เป็นสิ่งที่เสแสร้งแกล้งทำกันใส่หน้ากากใส่กันเอาความหลอกลวงก็หากันมันไม่ใช่ความบริสุทธิ์เลยเป็นสิ่งที่น่ากลัว ถ้าผู้ปฏิบัติอยู่กันอย่างนี้เนี่ยน่ากลัวเราต้องไปประพฤติปฏิบัติให้ได้อย่างน้อยเป็นแนวทางให้ผู้ประพฤติปฏิบัติได้รู้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติกันต่อเอาหล่ะก็ขอให้ทุกคนค่อยๆผลคายก่อนผลคายอารมณ์กนนะอย่าเพิ่งลืมตาให้รู้สึกตัวให้รู้ตัวเองก่อน ให้รู้ใจก่อนพราเรากําลังหลับตาอยู่ตอนนี้เรากําลังจะลืมตาแล้วแต่ยังไม่ลืมนะให้รู้ตัวก่อนส่วนลมหายใจเข้าออกให้เป็นปกติก่อนเข้าลึกๆออกลึกๆเข้าลึกๆออกยาวให้เป็นปกติก่อนแล้วค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิ เพื่อที่จะได้กวดน้ำพ่อพระพิสุส่งอีกครั้งหนึ่ง